ปาฏิหาริเก็บผลว่าครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกระสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงกราบทูลบอกพัฒน์ตการว่าถ้าแต่พระมหาสมณะได้เวลาแล้วพัตนหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไปเถิดกระสปะเราจะตามไปทรงส่งชดินอุรุเวลากระสปะไป ทรงเก็บผลว่าจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนชดินอุรุเวลกัสสะเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงไฟครั้นเห็นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะพระองค์เสด็จมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนพระองค์แต่พระองค์เสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อน พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัตสปะเราส่งท่านไปแล้วก็เก็บผลว่าจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงไฟนี้ก่อนกัตสปะผลว่านี้แลสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรส ถ, ถ้าท่านต้องการก็เชิญบริโภคผลว่าเถิดชดินอุรุเวลากัตสปะทูลว่าอย่าเลยมหาสมณะพระองค์นั่นแหละย่อมควรกับผลว่านั้นโปรดเฉยผลว่านั้นเถิด ขณะนั้นชชดินอุรุเวลกัสปะ ค, คิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงเรากลับมาก่อนทรงเก็บผลว่าจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนแต่ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยพระทาหารของชชดินอุรุเวลกัสปะแล้วประทับอยู่ที่ภัยนแห่งนั้น